กายที่วาปนัสสะสติปัจจุปปิตาโหติยะวะเดวายนามตายะปิตสติมตายะอะนิสิตโฉวิหะระติอินทิโรติปปิยะเตเอวัมปิโคปิเกวิปิโกายะกายานุปสีวิหะรติ ยามสวดให้กระจับกระเฉงหบหิทาวกายกายรนุปสัสสวติบาหิตบาหิตบหิเสียงสัน้นพอพานน่ยพอพ่า น, อานบอบหิตบหิตบหิ ท, า, ห ท, า, หทาวกายกายนุปัสสีวิหรติอาชตังวาบาหิตทาวกายกาย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 แล้ก็นีมองนี่มองนึ่งนี่ญาณมัตตาญะณนี่ตาตามาที่ไหนมาตาญาามัตตายะเ อ, อื้อนเสียงอะไรปฏิสติมัตตายะอ น, นิสิโตจวิหรติในจักินจิโกเกอุปาดิยเตเอวปิโคภิกเ ข, ขเวภิกโขกายเยกายานุปัสสิวิหรติ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 อนนี้สโตจะวิหรติเสียงสั้นเขาว่ามันสั้นๆนวิหรติมีแต่เสียงสั้นทั้งหมดอันนี้สโตจะว ah ิหรติโตสะโอยาวก็ได้สะโอไออูเอโอสะโอว่ายาวๆก็ได้อันนี้สโตจะวิหรตีนจะกินจิโลเกอุกนี่โลเกยาวๆสะโอสะเอเนี่ยสะเอสะโอก็ยาวสะเอก็ยาว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 อีูเอโอเสียงยาวเสียงที่มันสะกดกันก็ว่ามันชัดว่ามันขาดไปเลยเสียงที่สะกดมีตัวสะกดอัดชตังวาเนี่ยอัดชตังวาเนี่ยเสียงที่มันเสียงที่มันมีตัวสะกดอัดชัะอัดชอัดชตับหิตทว่าอัดชตะบะหิตบหิตเนี่ยหิตนี่ว่ามันขาดไเลยอัดชตักหิต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 คือร่างกายเป็นป่ายชาทั้งเก้าเก้าอย่างพอเวลาบทสรุปเป็นรบทสรุป <c oughs> <c oughs> ท่านท่านก็สรุปมาที่เศ้าอิมัเมว ะ, ะ, ะกายอย่างอุปสั่งหรตินอมมาสูกายน้อมาอาอมาสูกายของเรานี่นอมมาสูกายของเรานี้เห็นเป็น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 บาฮิตม่ใชบาหิตนะบานี่มันไม่ใช่สรอะแล้วเนีบาิตบาฮิตบาฮิตเสียงสั้นบาิทาวกายกายานุปัสสีวิหรติอจจตับบิตทาวกายกายานุปัสสีวิหรติสมุดยะตมานุปัสสีวากายัสมิงวิหรติยัตสมิงยัตสมิงอ่านี่กหิตเนี่ยเสียงสั้นนี่กหิตเสียงสั้นไม่ใช่เสียงยาว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 หนึ่งจำของเก่าที่เราเราเคยผ่านหูผ่านตาสองคาดเดาหมายที่เขาเรียกว่าจำได้แล้วก็หมายรู้หมายรู้คือคาดเดานั่นแหละลหมายรู้คือคาดเดาเช่นอยา่างเขาบอกว่าเมืองกรีตเป็นอย่างางั้นๆๆโอ้สะพานนั้นงามเหลือเกินสวยเหลือเกินอเมริกาเป็นอยังงั้นงงั้นยังสะพานอะไรกอลเดนกอลเดนกูตกอลเดนอะไรเนี่ยงามอย่างงั้นยังงั้น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 ใจที่อยู่ในชั้นนี้มันเป็นใจที่ยังยังสวยกามยังเกี่ยวข้องปูพันกับกามผู้ที่เรินจนได้คุณธรรมชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามพระอนาคามีตายแล้วตายแล้ ว, ลวท่านยังไม่ได้เป็น <c oughs> พรนะอนตเนี่ยท่านไปเกิดนู่งพรหมสุทาวาสนะห้าชั้นขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อย <c oughs> อภิหาตตาปะสุทัศสาสุทัศ ส, สีอาการิฐา ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยสุกไปเรื่อยสุกเรื่อยสุกงอมฝนก็ตามไอ้ลมก็ตามไม่ลมก็ตามไม้เหมือนหมายถึงเหมือนกับผลไม้ผลไม้ที่มันสุกอยู่ในขั้วนั่นแหละมีลมก็ตามไม่มีลมก็ตามมีคนเขย่าก็ตามไม่มีคนเขย่าก็ตามพอมันหมดอย่างที่ต้นคั้วมันก็ลนตุกลงมา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 เราต้องการจะจับเหี่ยท่านจึงให้อุดห้ารูนะอุดซะอุดตั้งห้ารูให้มันเหลือรูเดียวเมื่อรูเหล่านั้นมันออกไม่ได้มันก็จะค่อยม า, มมาโผล่มาแต่ยรูนี้แหละค่อยจับรูเนี้ยที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยคอยจดจ้องอยู่ตรงนั้นแหละเราก็มาชำระมาชะมาล้างมาขัดมาเกลา้าท่านจึงให้มีสติกำกับเพราะสติตื่นขึ้นมาทีไรเมื่อไรเหมือนกับว่าจิตดวงนั้นมีผู้กำกับดูแล มีสติมีสัมปชัญญะกำกับมีสติมีสัมปชัญญะยะกกำกับดูแลจิตดวงนั้นนะอจิตดวงนั้นมันโดนโลดเต้นไปอะไรมันปรุงราคะโผลขึ้นมาปั๊บท่านี่ฟาดปัว๊วเข้าไปละแนะ่เพราะมันจ้องอยู่ที่ที่รูเนี่ยหมายความว่าเฮีย e er มันโผล่ขึ้นมาเฮีย <laughs> e er มันโผล่เธอเลยทลาขึ้นมานี่ฟาดปัว๊วเข้าไปละ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 วันคืนยืนเดินนั่งนอนนั่งรับนั่งแบกแต่กองทุกนั่งรับแต่กองทุกท่านจานึงให้รู้ให้เข้าใจและพิจารณาและปลงปล่อยปลงปล่อยเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอ๋ออันนี้มีอย่างนี้เองเอวังธรรมโมเอวังพาวีเอวั ง, รรววงนตีโตมีอย่างนี้เป็นธรรมดา <À. S 1> ไม่ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปได้เอวังอนตีโตมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เอวังภาวี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 ถ้าปล่อยถ้าปลอยไม่ได้คือตัณหาคือปาทานมันคร่ามันก็ยึดก็ถือถืออะไรก็ทุกขกา น, นั้นถืออะไรก็ทุกขบ น, นั้นไม่เชื่อลองไปคิดดูถืออะไรก็ทุกข์กับมันนั้นถือสิ่งเดียวที่ไม่ทุกคือถือข้อปฏิบัติทุกอย่างลาบากกันด่างขนาดไหนก็นดา่าขอตั้งใจตั้กตั้งใจทําทุกสมุทัยนิโรธยึดไม่ได้สักข้อยึดได้อย่างเดียวมอืม ปล่อยวางพิจาณาปล่อยวางพิจารณาปล่อยวางบางคนปล่อยวางแม้กระทั่งมัดแล้วก็ไปเรียกร้องหาผลที่นี่ปล่อยวางแม้กระทั่งมัดไม่ทําเหตุมัดก็คือเหตุคือรักษาศินเจริญสมาธิเจริญปัญญาศินสมาธิปัญญาอันนี้เป็นมัด <c oughs> เป็นข้อปฏิบัติปล่อยวางตั้งอกตั้งใจปล่อยพางปล่อยวางไว้หมด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 เส้นเอนนี่มันรุกรานไปเรื่อยหนั่งดีๆก็ดึงหลายรงแล้ว